ความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิตรัยศรีปทุมกำลังนำเสนอเรื่องสุ ป, ปพุทธกุติสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยเรื่องท่านสุ ป, ปพุทธกุติซึ่งโดยสถานะของท่านแล้วก็เป็นคนขอทาน ที่สนวนบาลีท่านบอกว่าเป็นคนกัมพระขัดสนอนาถายากยากยากไรนะก็ดำเนินชีวิตโดยาการขอทานที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าเป็นโรคเรื้อนด้วยแต่หลังจากได้เข้าฟังป ร, ร, รมเทศนาจากสนักของพระพุทธเจ้าแล้ว ก็ได้บรรลมุมรควุเป็นพระยะบุคคลระดับพระโสดาบันที่ท่านเรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมที่เกิดขึ้นแก่พระโสดาบันนั้นจะเหมือนกันว่าถึงใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปูมวลล้วนมีความรับไปเป็นธรรมดา ก็จะถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นลงไปได้ระดับหนึ่งแล้วก็ละสังโยชน์ได้สามข้อให้รักสักสักยทิฏฐิความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนเป็นตัวเป็น ต, ตนที่มีรายละเอียดออกไปอีกมากแล้วก็ความเคลือแคลงสงสัย ความเพลี่ยแปรงสงสัยตามปกติก็จะพูดไว้แปดประการคือสงสัยในพระพุทธเจ้าในประธรรมในพระสงฆ์ในไตรสิกขาและในเรื่องอดีตเรื่องอนาคตทั้งอดีตอนาคตและในกฎของปัจจยาการหรือกฎของปฏิจจสมุปบาทประการที่3นั้นเป็นการละการปฏิบัติในลักษณะที่เรียกว่าปินสินพรต คือถือการประพฤติปฏิบัติในลนักษณะใดลักษณะหนึ่งแล้วก็เชื่อว่าอย่างนี้เท่านั้นถูกต้องอย่างอืงอ่นไม่ถูกต้องเป็นรูปของขลังศักดิ์สิทธิ์ถึว่ากันตามหลักของความเป็นจริงแล้วเช่นเหตุได้เกิดสมาธิคือเหตุได้จิตสงบเนี่ยก็มีเหตุได้หลายสารพัเทต อย่างที่ทรงแสดงเป็นรูปของกรรมฐานที่ท่านรวบรวมเอาไว้ถึงสี่สิบข้อด้วยกันกฎหมายความมาแต่ละข้อก็เป็นเหตุให้เกิดความสงบได้เป็นเหตุให้เกิดสมาธิได้หรือว่าวิปัสสนาที่พูดถึงเรื่องนามรูปเราก็จริงนามรูปมันกระจายไปได้เยอะ ที่ทรงจำแนกวิปัสสนาภูมิออกไปมันก็ครอบจักรวาลนะฮะเช่นขัน5อายตนะ12บสองทับปอินทรีย์ยี่อริยสัจสี่แล้วก็ปฏิจจสมบัติก็แสดงว่าโดยเนื้อหาสาระแล้วมันคลุมไปทั้งหมด้วในความเป็นอริยสัจสี่ก็ดีในความเป็นปฏิจจสมบาติก็ดี มันมีนิพพานอยู่ด้วยนะครมีวิโรธหรือนิพพานอยู่ด้วยเรียสัตวีกับปฏิจจสมบาทเป็นเรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่าอริสัตวสีท่านกระจายออกไประดับหนึ่งคือไม่พิสดารแต่ว่าแนวปฏิจจสมบตัติท่านเป็นแนวกระจายที่พิสดารแต่ถ้าเรามองแล้วก็ สายเกิดก็ประกอบด้วยทุกข์กับสมุทยัยสะดับก็ประกอบด้วยมรรคกันิโรธก็สรุปว่าก็เป็นอริยสัจผลทัง้งขจัดความเคลือบปักใจฝังใจยึดติดในรูปแบบต่างๆออกไปได้ ก็เรียกว่าทำทั้งปวงไม่ควรยึดมันหรือมั่นนะเพราะว่าแต่เน้นว่าททั้งปวงมันเกิดไปจากเหตุจะดับไปก็เพราะเหตุมันดับมันก็ดับแต่สมุนภาษาบาลีเวลาพูดถึงท่านที่บรรลุมัรคผลเป็นพระระดับพระยบุคคลร ะ, ระดับโสดาบันเนี่ยท่านบอกว่า มีทรมันรู้แจ้งแล้วมีทำมันยั่งถึงแล้วข้ามความสงสัยได้แล้วปราศ จ, จากความเครือบแคลงบรรลุถึงความเป็นผู้กล้ากล้าไม่เชื่อต่อผู้อื่นในาศาสนาของพระาศาสดาอันนี้คือคุณสมบัติเนี่ยมาคคุณธรรมเหล่านี้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเกิดขึ้นพร้อมกับการเกิดของมัดก็ที่จริงก็เป็นผลที่ถาวร อ, อยู่ภายในจิตใจของท่าน แล้วท่านจะไม่มีความหวั่นไหวคือมีศรัทธาที่เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าประธรรมประสงเสรีสิขาที่ไม่หวั่นไหวในขณะเดียวกันความเห็นของท่านคือพูดง่ายๆว่าประโสูติบัณไม่เถียงกับใครอะ่ะเพราะไรพระท่านมีทิฏฐิสัมปันโนคือสมบูรณ์ด้วยทิฏฐิคนที่มีความเห็นผิดมาเจอกับท่านท่านอาจจะตอบชี้แจองอะไรให้แต่ถ้าเขาเฉียงท่านก็ อธิบายไปตามตรงควรเกิเหตุเขาเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นเรื่องของเขาคุณลักษณะเหล่านี้ก็มีแก่พระอาหารหันต์ทั้งหลายด้วยนะฮะหมายความว่าท่านเองเข้าถึงสัจธรรมโดยตัวของแทนแต่เีลคนมาข้องใจสงสัยมาตั้งแง่ตั้งมุมมาถามปัญหาก็ตอบตอบไปตามความเป็นจริงได้เชื่อหรือไม่เชื่อมันก็อยู่ที่คนนั้น อย่ในกรณีที่พระเจ้าปายาสิมาพูดเรื่องตายเกิดตายศูนย์กับพระกุมารกัสริย์นี่ยมีคําถามมีแง่มุมต่าง ๆ, ๆเยอะพระเทรกักอธิบายไปมีอุปมาอุปไมเคิบเคียงมีนิทานมีบุคคลมีตัวอย่างให้ฟังพระเจ้าปายาสิจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็อยู่ของท่านแต่ตอนที่ทายเราก็ดูแล้วก็ไม่เคยมั่นคงอะไรทอะไรเราก็ไม่เชื่ออะไรทอะไร แต่ว่าหาทางออกไม่ได้คือเป็นเศษไม่ได้พันดัานสุปาพุทิภพ อ, อสุปพุทธกุติพอออกไปแล้วเนี่ยหลังจากสันเสริญพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าประกาศตนเป็นอุปสมแล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องอยู่สองแห่งนะครคือในอัตกถานี่ท่านแสดงว่าทาสกเทวราชต้องการมาทดสอบ ถึงพื้นฐานทางจิตของท่านว่าท่านจะมีท่าทีต่อพระัฒนาใรายอย่างไรแล้วก็จิตใจของคนขอถานที่ได้บรรลุมรรคผลเนี่ยคิดยังไงอะต่อกับทรัพย์สินเงินทองจงนวนมหาศาลเนี่ยทกะก็ปลอมเป็นคนธรรมดามาแล้วก็มีเกวียนบรรทุกทรัพย์สินเงินทองเต็มเล่มเกวียน ก็มาถึงบอกสุปาพุทธกุติเนี่ยบอกว่าเธอเป็นคนเป็นมนุษย์ขัดสนเป็นกำพ ร, กร้ายากไร้ขอให้เธอปฏิเสธว่าพระพุทธเจ้าไม่เป็นพระพุทธเจ้าจริงพระธรรมไม่ใช่พระธรรมจริงพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์จริงเราจะให้ทองคําทั้งหมดเนี่ยในในเรื่องเกียรตนเกียแติเธอปรากฏว่าสุปาพุทธกุติ ได้ตำหนิเท้าส ก, กะเทวราชที่มากราวหาว่าท่านเป็นมนุษย์ขัดสนกําพร้ายากร้ายเนี่ยที่จริงท่านมั่งคั่งร่ำรวยด้วยอริยทรัพย์อริยทรัพย์ของภาริยทรัพย์ที่เป็นภาริยทรัพย์ที่ทำคนให้เป็นภาริยะกะว่าที่จริงแล้วก็คือธรรมะปฏิบัติที่ การเผยแพร่กันในที่ทั่วไปนะแต่ว่าในที่นี้แสดงไว้าเจ็ดข้อคือศรัทธาถนังซับคือศรัทธาศีลถนังซับคือศีลหิริความละอายต่อ บ, บาปอุดรปะความสะดุ้งกต่อ บ, บาปสุตะการศึกษาสดับตับฟังมากแล้วก็จะฆือความเสียสละให้ปันการสงเคราะห์น้คร อ, อบบคุคคลอื่น แล้วก็ปัญญานี่ก็ถือว่าเป็นอริยทรัพย์คือทรัพย์อันประเสริฐก็ในที่สุดก็ตบมือไ ล, ไ ล, ไล่ไล่เท่าเทสกะไอ ล, ไ ล, ไ ล, ไ ล, ไลิไปเอาไปคือท่านไม่ต้องการทรัพย์สุ บ, บัติเห่านี้ทีนี้ถ้าเราดูในพระสูตรเนี่ยคือทานองคล้ายๆกับพอออกจากที่เฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ถูกโควิดตาย ที่ปัญหาเรื่องโควิดตายเนี่ยมันก็เกิดแก่พระยะบุคคลหลายท่านคือท่านในโจนรขาวแดงเนี่ยก็ถูกโควุดตายนะแล้วก็ท่านปุกุสาติกุลบุตรก็ถูกโควิดตายพระพายะทรุจิริยะก็ถูกโควิดตาย ทีนี้ก็สุภพุทธกุฏิอีกก็ถูกโควิดตายเหมือนกันคือเรื่องเหล่านี้ยคือท่านได้เล่าไว้ว่ามันเป็นเรื่องบุพกรรมเป็นเรื่องของการจองเวรจองกรรมกันเขาเรียกว่าเป็นทษทษของวัฏฐะคือโทษของการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ ถ้าท่านเหล่านี้มีพื้นฐานมีบารมีสูงนะเราลองสังเกตว่าชีวิตตอน ต, อน ต, อนตอนน้นๆนก็แป็นแก่งแต่ว่าพอเอาเข้าจริงพอจับหลักได้แล้วท่านไปสิวเลยอย่างท่านสุปาพุทธกุฏินี้ก็แสดงว่าชนกก ร, กรรมที่นำไม้เกิดติไม่ดีก็ทาให้เกิดในสกุลกํมพระ ขัดสนยากไร้แล้วก็ไปขอทานยังมีหนาซ้ำเนื้อตัวก็ยังเป็นโรคเรื้อนอีกด้วยตอนนี้ท่านได้แสดงในพระสูตรเฉพาะในพระสูตรสกกรกันแหลือในพระสูตรพระเองก็สงสัยว่าทำไมท่านสุปปุทธะซึ่งก็เป็นคนดีนะ แล้วก็เป็นพร ะ, ะบุคคลก็ไม่น่าจะมาแต่ผู้สำรวจปัจจุบันก็คือตายโหงนะฮะถูกโคกินัดตายพรเจ้าทรงสแสดงว่ามันเกิดขึ้นจากเป็นเศษวิบากกรรมไม่ใช่ตัวกรรมหลักนะฮะกรรมหลักมันให้ผลไปนระกไปแล้วเป็นเศษของวิบากกรรมบอกว่า ในดีการนานไกลก็ไม่พูดไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะฮะแต่ว่าถรมองไปที่พระปัจเจกพุทธเจ้าชื่อตัการสิกีเนี่ยก็แสดงว่าเป็นยุคที่ว่างพุทธันดอนรือว่างพระพุทธเจ้าว่างพระศาสนาก็มาความต้องย้อนนั่นอีไปไกลมากๆ ่ท่านเป็นเศรษฐีอยู่ในกรุงราชครึกแต่กรุงราชครึกนี่เมื่อก่อนจะเรียกว่าอะไรก็ตามนะฮะก็อาจจะไม่เรียกชื่อว่าราชครึกก็ได้ก็เข้าไปยังภูมิเป็นที่เล่นในสวนแล้วก็ได้เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าทรงมานามว่าตะกรัสสิกขีกําลังเที่ยวบิณฑบาตไปนในพนคร ก็ก็คิดเนี่ยว่าใครนี่เป็นโรคเรื้อนเที่ยวไปอยู่แล้วก็ทมน้ําลายแล้วก็หลีไปเบืนซ้ายอันนี้เป็นไปนการแสดงเรื่องความเคารพนะคือตามปกติแล้วถ้ารถสวนผู้ใหญ่เนี่ยถ้าเดินสวนผู้ใหญ่กว่าเนี่ยเราจะไปทางซ้ายมือของท่านนะฮะโดยให้ท่านไปทางขวามือของเรา ก็หมายความว่าเป็นการให้ความเคารพเขาเรียกว่าประทักษิณคือถึงจะทำการประทักษินคือเวียนขวาโดยดีก็หลีกไปทางขวาแต่ว่าท่านแสดงอาการดูหมินคือคิดเป็นมโนโทุจริตคือคิดด้วยความดูหมินแต่ว่าก็ไม่ถึงกับพูดนะเป็นความคิดเฉย จากนั้นก็ถมน้ําลายถมน้ำลายใส่ข้างหน้านะฮะโค้งงงไม่ถูกพระปฏิเจกาพุทธเจ้าหรอกแต่ว่ามันแสดงให้เห็นถึงความก้าวร้าวความไม่เคารพการลูหมิน่นต่อพระอรหัน์นะฮะพระปฏิเจกาพุทธเจ้านึ่ก็เหนือกว่าพระอรหันซะอีกแล้วก็ถือเอาข้างซ้ายคือ ให้ท่านไปทางซ้ายมือของตัวเองเป็นการแสดงความไม่เคารพหรือการกระทําในลักษณะนี้มันเป็นบาปสากุลไม่ใช่บาปเฉพาะคนที่นับถือพระพุทธศาสนานะฮะเพราะอะไรเพราะว่าประกอบด้วยมโนโทุจริตแล้วก็กายทุจริตความคิดเหล่านี้เป็นเรื่องที่ที่น่าคิดนะฮะ คิดนนวค่วงอย่างบรรกรอนที่ได้ควังพระราชดำรัสของเสด็จพนางเจ้าก็ก็ควงังสองสามเที่ยวเล้นะหรือก็ดูที่เขาออกโทรทัศน์แล้วก็อัดเทปเอาไว้แล้วก็ฟังก็เราจะเห็นว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทางพักได้เนะี่ย เือแสดงว่าคนไม่มีศาสนาอยู่ในหัวใจแต่มาเองก็ไปมาสองครั้งแล้วนะก็ไปก็มีรายละเอียดะอะไรอยู่หัวร้องวัญเด็ก็ติดตามข่าวมาตลอดตั้งแต่สี่มกราคมาคือเราจะไปมองว่าเป็นศาสนาอิสลามคงไม่ได้แต่ว่น่นนอนในนามในชื่อนะ่ะก็คงจะอ้างอิสลาม เอกสารต่างๆพฤติกรรมต่างๆที่ขับไล่ชาวไทยพุทธจนชาวไทยพุทธอพยพเคลื่อนหนีมาเยอะแล้วเนี่ยมันก็แน่นอนก็เป็นรรมในนามคือแสดงตัวว่านักถือศาสนาอิสลามแต่ว่าหลักการของอิสลามมันก็ไม่รุนแรงอะไรขนาดนั้นนะ น, น, น, นอกจากว่าคนก็จะไปตีความให้มันผิด แล้วก็ท่านผู้ใหญ่ก็ออกมายืนยันแล้วเองว่าเป็นการบิดเบือนรอพระคัำพีแล้วก็เรียบเรียงพระคัมภีร์ใหม่ขึ้นมาแล้วก็แปลคมภีรใหม่ออกมาแล้วก็ที่จริงก็อยากจะหามอ่านเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ไม่ได้เจอนะฮะ อ, อยากจะรู้ว่าสาระเนื้อหาที่สื่อสารเข้าใจง่ายเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เขามาเป็นประเด็นในการปุคคมคืออะไร ทำไมาจารึรุนแรงตรงนี้ถ้าคนมีศาสนาอยู่ในหัวใจอ่ะเราจะไม่คิดบาปไม่พูดบาปไม่ทำบาปตรงนี้ขนาดคิดบาปก็ททำบาปนะแล้วก็ไม่แรงจนไม่ถึงประทุสร้ายองค์ของพระพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นจากแสดงให้เห็นว่าท่านเศรษฐีเนี่ย ถ้าไม่นับถือพระไอ้ไม่นับถือก็ไม่ได้ว่าอะไรมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะแต่การไปล่วงละเมิดสิทธิของขาวเนี่ยมันก็เป็นบาปย่างที่บอกว่าสิทธิจริงๆถ้าเราคิดโดยภาษา ง, ง่ายๆภาษาทางศาสนาเนี่ยนะ มันเป็นสิทธิที่ไปผูกโยงอยู่กับกรรมกิเลสที่พระเจ้าทรงแสดงไว้เพียงมีเพียงสี่ข้อคือสิทธิในชีวิตสิทธิในทรัพย์สินสิทธิในคู่ครองสิทธิในการรับฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแล้วเวลาเราเขียนขึ้นมาอีกกี่ตัวก็ตามมันก็อยู่ในแวดวงตรงนี้การกระทาตรงนี้ของท่านเป็นบาประกรรมใหญ่ ราสั่งเราว่าเขาหมกไหม้อยู่ในนรกสิ้นปีเป็นอันมากสิ้นร้อยปีสิ้นพันปีสิ้นแสนปีเป็นอันมากบาปกำแรงนะฮะคื อ, ค, อ, ค, อ, ค, อคือทำกันไม่หวาดไม่ไหวแล้วก็เพราะผลแห่งกรรมนั้นยังเหลืออยู่เขาจึงเป็นมนุษย์ขัดสนกำพรายยากร้ายอยู่ในกรงรุงร่งราชครึกนี่แหละ ทีนี้ในในพระสูตรเนี่ยก็ทรงแสดงธรรมะอีกชุดหนึ่งซึ่งว่าที่จริงก็ซ้ำนะฮะซ้ำกับอริยสัพแต่อริยสัพนั้นปรากฏในอัตกถาพระธรรมบททีนี้ตัวพระคถานี่ยมันอยู่ในพระบาลีอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มเนี่ยเล่มที่ย5ิเหมือนกันแสดงให้เห็ น, นว่าช่วงระยะเวลาที่ บรรลุแล้วเนี่ยก่อนที่จะถูกโควิตตายเนี่ยต้องพบกทศกะก่อนแต่เวลาคงไม่ห่างกันมากมันเป็นการแสดงผลของกรรมหรือเจนว่าบาปรกรรมมันก็มาแรงนะฮะมาแรงในขณะเดียวกันบุญที่ท่านได้กระทำไว้ในอดีตเก็มาแรงเหมือนกัน ทงใช้คำว่าเขาอาศัยธรรมในที่พระตถาคตประกาศแล้วสมาทานศรัท ธ, ธาศีลสุตะจากขะปัญญาก็เป็นธรรมะหลักข้อนี้คือคือเวลาแสดงส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเจอสี่ข้อคือศ ร, รัทธาศีลจากขะปัญญา เรียกเยอะเรียกชื่อเยอะมากในจตุการนิบาตอังคุตรนิกายเนี่ยจะมีเป็นสูตรนะแต่รรมาสีข้อเนี้ยถ้าฟังลองสังเกตว่าแต่ละข้อเนี่ยกรอบมหาศาลมากมากนะสัานิไตตั้งแต่ต้นไปจนถึงส่งไปถึงมรรคผลนิพพานแล้วก็ศีลก็เหมือนกันนะ ศีลก็ให้พวกสมบัติให้สวรรค์สมบัติแล้วก็ให้นิพพานสมบัติจาคะนั้นส่วนหนึ่งก็เป็นวยพจน์ของนิพพานแต่ก็เรียงตั้งแต่พื้นฐานเบื้องต้นไปเช่นจาคะในคารวัตสธรรมเป็นเรื่องของการสละแบ่งปันทั้งพวงจะสังเกตว่า จาค้าในคารวัธรรมคือสัจธรรมคันดิจาฆ่านะครับเลยว่าจาฆ่าตรงนั้นเป็นเรื่องของการขาจัดโทสะกับโลภะเป็นหลักแต่ว่าก็ขจัดโมหะด้วยนะะต้องเห็นคุณเห็นโทษของการเห็นโทษของการให้ เห็นคุณเมื่การให้เห็นโทษรมงการไม่ให้แล้วก็ให้สละให้ปันแต่พอจะเข้ามาอยู่ที่อธิฐานธรรมจงในตรงนั้นเนี่ยส่งแสดงถึงปัญญาถึงสัจจะถึงจาขะถึงอุปสมะเรื่องใหญ่อะไรตรงนี้จะเน้นไปที่การสละต่อความรู้สึกซึ่งเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อเจตจำนง ที่จะประพฤติจะกระทำสิ่งดีงามของบุคคลเ่านั้นทีนี้จะค่าเองเป็นวัยพน์ของนิพพานด้วยนะอย่างที่ทรงแสดงในธรรมจักรวัตนสูตร ต, ตอนอธิบายนิโรธสัตว์เนี่ยรทรงแสดงว่าโยตสะเยวตันหายะเซสะวรากนิโรโท ค, คืออันดับเสียซึ่งตัณหาโดยไม่เหลือแล้วก็ขยายวาจากโกปฏินสกโกมุตเตนาระ ย, ยจากโกเนี่ยคือจาคะเนี่ยมันพูดถึงการสละกิเลสออกไปจากจิตจิตนั้นจะปราศจากกิเลสทีนี้ถ้าต้องการจะแสดงระดับเป็นเทวธรรมเป็นธรรมที่ทำคนให้เป็นเทวดา เป็นเทวดาหลังจากตายด้วยแล้วกอดตายด้วยนะเป็นเทวดาด้วยจิตด้วยก็จะทรงเพิ่มที่สุตตะขึ้นสุตะบางครั้งจะเรียกภูสัจจะคือการศึกษาสดับต่อฟังมากบางทีก็เรียกสุตะเฉยแต่ว่ากรอบในการศึกษาเรียนรู้ก็อธิบายเหมือนกัน หมายถึงการศึกษาเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสแล้วก็การจำเรื่องราวต่างๆเอาไว้แล้วก็กฎเกณฑ์หลักการสำคัญสาคัญนี่แม่นนะแม่นในกฎเกณฑ์ต่างๆแล้วก็นำเรื่องเหล่านั้นมาคิดพินิพิจารณา พูดถึงการคิดพิจิพิจารณาวันก่อนเนี่ยดูรายการถึงลูกถึงคนที่เขาเชิญพวกอาจารย์ที่ไปพบกับท่านนายกนะฮะรู้สึกจะสี่ห้าคนนั่นแหละก็เป็นเรื่องแปลกที่เอ s เอเนี่มันด่าจังเลยแรงมากได้่ฟังดูก็แปลกนะฮะคือคือแสดงว่าท่านเหล่านี้ไม่เคยไปภาคสนาม จึงไม่เข้าใจภากสนามมันก็ตั้งสมมติฐานก็ตั้งโจทย์ผิดการตั้งโจทย์ผิดในลักษณะนี้มันก็มีเราพบบ่อยๆนะฮะคือคือก่อนอื่นในเรามองต้องมองทุกชีวิตเป็นคนด้วยกันมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เสมอภาคกันคือถ้าเราจะพูดในทำนองปกป้องคนเพียงสองกลุ่ม ให้สองกรณีคือเหตุการณ์ที่คือแซ้กเหตุการณ์ที่ตักใบเนี่ยมันก็ละเลยคนทึ่งไม่รู้หนูนี่เลยนะพวกนั้นไม่ผิดกฎหมายอะไรด้วยก็ถูกฆ่าตายรายวันนะ่ะมันต้องคิดถึงเขาด้วยทีนี้เราจะเห็นว่า เ, ออเมื่อเรามองจริงๆว่าปฏิบัติการที่รุนแรงเนี่ยไม่ใช่เจ้าหน้าที่ เฉพาะตั้งแต่วันที่4ตุลาเป็นรถมาตั้งใน4มกราคมเป็นรถมาไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่แต่มันเป็นเรื่องเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นโดยองค์ประกอบสภาพเป็นร้อนต่างๆเนี่ยมันต้องเอามาคิดด้วยแล้วเราก็จะเข้าใจปัญหาเหล่านั้นก็จะมองกันด้วยเหตุด้วยผลด้วยความเข้าใจ ก็เป็นเรื่องที่เสียดายที่กันทั้งนั้นเนี่ชีวิตพี่น้องเราทั้งนั้นแต่ว่าการการมองในที่จริงมันมองยากนฮะคือถ้าหากว่าเราไม่ทำใจให้เสมอว่าทุกชีวิตคือพี่น้องเราแล้วเราคิดจะคิดยากพอคิดแบ่งแยกแล้วมันกดเอียงไม่ได้ดังนั้นเราจะเห็นว่าในธรรมะเหล่านี้มันจึงมีทั้งศรัทธาทั้งปัญญา ปัญญามันอยู่ที่ระบบการคิดคิดอย่างมีระบบคิดได้คิดดีคิดเป็นคิดชอบคือเรานึกถึงว่าไอการตายในลักษณะอย่างในกรณีของปากใต้นะฮะที่กลายที่ตากใบเนี่ยเราก็ตกใจเหมือนกั น, น่นได้ข่าวเอ๊ะทำไมมันตายมากอย่างนั้นแต่พอหมอรายงานก็ปรากฏว่าไม่ได้มีอะไร คือไม่ได้มีการประทุสลายอะไรเพิ่มเติมเราก็นึกว่าเออมันก็ปัญหามันก็น่าคิดนะมันก็ทำํำไมคิดถึงลองมารกทขหมอเจตงุงเออหมอเจตงุงลองมาร์ทขหมอเจตงุงเนี่ยคนตายเยอะบนเส้นทางนี่ก็ตายเองอนี่ยโดยสภาพร่างกายของเขาเองแน่นอนมันคงจะผสมก็อากาศสภาพแวดลอ้อมความหนาวความร้อนความหิวอะไ ร, ต, ไรต่างๆมันก็ผสมกันเยอะนะ บรรโงประกอบเหล่านี้ก็ททาให้เราต้องทำใจเหมือนกันถ้าไมจะเสียดายยังไงก็ต้องทำใจเหมือนกันาเออมกก็แต่เราคิดแบบไทยอ่ะคิดแบบพุทธก็เรียกว่าถึงข่าวคือวิธีการคิดแบบพุทธเนี่ยมันคนเราพอสิ้นบุญสิสิญอายุแล้วก็ตาย แล้วองค์ประกอบ ต, ต่างๆมันก็มีเยอะในการคิดวันที่สมเด็จพระนางจะรับสั่งวันนั้นนะก็คงจะต้องตัดเก็บไว้ยังนึกนะยังนึกว่าเออมันน่าจะมีเศรษฐีอะไรสักคนหนึ่งที่ลอกข้อความทั้งหมดที่ยังซื้อพิมพ์กาลอกมาแล้วนะเต็กเอามาเรียงพิมพ์แบบที่เรียกว่าให้เป็นประโยชน์ หมายความว่าบางทีนี้ข้อความสั้นๆเนะี่ยแต่หนึ่งมันทัดเลยเฮ้ต้องการเน้นประโยคน์กาทำตัวมันโปร่ปงๆก็เป็นเล่มขนาดบางๆนะอย่างนึกว่าก็คงจะสิบ ก, กว่าหน้าแต่ก็แจกไปเผยแพร่ไปในที่ต่างๆเพื่ออ่านทบทวนตรงไหนควรจะเน้นตัวก็เน้นเน้นบทสำคัญต้องคันเนี่ยมันมีหลายหลายหลายประโยคมากแต่ว่าต้องใช้เงินมาสมควรเละนะ หมายความคนต้องเห็นคุณค่าคือมันมีน้ำหนักนะะมันมีน้าหนักเป็นพระราชฎสวนีของสมเด็จพระนางเจ้ารวมราชวัลยคนในหลวงมันมีน้ำหนักถ้าเผยแพร่บ่อยๆอย่างโทรทัศน์ก็หวังเผยแพร่วิทยุก็หวังเผยแพร่เนี่ยเผยแพร่บ่อยๆแล้วเราจะคิดจะเห็นอะไรในญติต่างๆได้เยอะ งันเราจะเห็นว่าถ้าเรามีพื้นฐานการการสดัดตกอฟังเรียนรู้มีข้อมูลต่งตางๆเราจะคิดอะไรได้พอคิดแล้วเราไม่ใช่คิดอย่างเดียว่คิดถึงสิ่งเออลักษณะอย่างนี้มันเคยเกิดที่ไหนยังไงมันก็บางย้อนเหตุการณ์ต่างๆที่เคยเกิดขึ้นแล้วมันก็ในที่สุดมันจะกลายเป็นธรรมชาตนะิเรื่องบางเรื่องเราเหเออมันก็ธรรมดานะ ธรรมดาใกล้ๆก็คนนีขนปลาเป็นๆไปตลาดไปตลาดเนี่ยปลาเป็นทั้งหมดในในข้องในอะไรที่ก็ใส่ในในภาชนะที่ก็ใส่แต่พอไปถึงมันมีส่วนหนึ่งที่ตายไปนั่นคือคือเรีย ก, กว่าเป็นธรรมชาติ่างเนี้ยคนยิ่งต้องระมัดระวังตนะั้งแต่ตอนตอน้นแต่เราก็อีกแหละมันก็เรื่องปัญหาไปเยอะ เพราะงั้นปันปัญหาแต่ได้เรื่องเนี่ยจึงต้องคิดเยอะคือบางอย่างก็ต้องพยายามปรุงให้ตกในอารมณ์ทั้งหลายลงไปบ้างถ้าจะคิดแต่โต้อตอบกันไปโต้อตอบกันมาแล้วก็หาความสงบได้ยาก ยังนึกถึงฝ่ายค้านที่เขาออกมาออกมาตอนรุ่งมืดเช้าอนะฮะทํานองให้รัฐบาลเปิดใจให้กว้างคือมันเวลาเขาสัมภาษณ์เนี่ยเขาด่าเพื่อนทุกทีเลยถูกอยู่คนเดียวอะ่ะคือลองไปทบทวนอ่านหรือพิมพ์ดูเถอะเวลาเขาสัมภาษณ์เรื่องภาคใต้แหละเขาถูกอยู่คนเดียวแค่ๆถ้าเขาแก้เนี่หายแล้วแต่ตอนเขาอยู่เป็นตั้งเจ็ดปีเนี่ยเขาก็แก้ไม่ได้เหมือนกัน คือคนเราเวลามองคนอื่นมันก็มองได้นะแต่เราคนกลางเรามองว่าเออมันก็มันไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรดีนะเรื่องเก่ามากๆเลยพั ก, กได้เก่ามาอย่างเราที่เห็นร่องรอยในยสมัยพระเจ้าปราสาททองสมัยอะไรต่างๆมันก็เกิดมาตลอดนี่ก็เราจะเห็นว่ามันก็เกิดมาจากสุตะกับปัญญาที่จริงสุตะก็คือปัญญาที่เราพัฒนาขึ้นไปในการ ก็แสดงให้เห็นว่าวิบากกรรมที่เป็นบาปนี่ก็ตามมาให้ผลแรงไอ้บุญก็มาแรงนะบุญก็มาก่อนก็ทำให้ท่านจากจนทรัพย์เป็นรวยอริยทรัพย์พระพุทธเจ้าจึงส่งแสดงว่าขั้นอาศัยธรรมีในที่ตถาคตประกาศแล้วสมาทานศีล ศรัทธาศีลสุตะจารค้าปัญญาเมื่อตายไปเขาเข้าถึงสุกติโลกสวรรค์เป็นผู้เข้าถึงความเป็นสหายแก่เหล่าเทวดาชั้นดาวดึงเขาย่อมไพรโรดล่วงเทวดาเหล่าอื่นในชั้นดาวดึงนั้นด้วยวันณะและด้วยยศคือเทวดาเนี่ยก็เรียอายุวโนสุขังพลังเนี่ยสี่อย่างรูปเสียงกลิ่นรสผลพระนะครับ รูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณก็ห้าอายุวนาสุขภะละ 4, ก็เป็นสี่ก็เป็นเก้าแล้วก็ยศเนี่ยฮะเป็นสิบอันนี้มันจะเลื่อมกันหรือจะยิ่งจะย่อนมากกว่ากันทีนี้ประเด็นว่าทำไมจึงทุโคควิตตายนะคือตามเรื่องขององค์อื่นคือน่าจะท่านท่านเหล่านี้ก็ยังไม่พบจักตรกถฐานนะ คือถ้าดูที่ท่านอื่นท่านพายะธรุจิรยิยกระดีจนขาแดงก็ดีอะปุกุสาติกะดีเนี่ยตัวนี้ก็เป็นสหายกันมาก่อนเป็นสหายกันมาแล้วก็เกิดในชาติหนึ่งเนี่ยเป็นลูกเศรษฐีด้วยกันแล้วก็เที่ยวแสวงหาความสุขก็เอาผู้หญิงมานอนอย่างนีง้กาทําไมเศรษฐีสีสี สีหนุ่มนะฮะไปเอาเศรษฐีคนเดียวเ อ, เอาผู้หญิงคนเดียวมานอนมาแสวงหาความสุขด้วยกันแล้วก็ในที่สุดมันเกิดชักดาบไม่ยอมจ่ายสตางตไม่จ่ายสตางพอตานองเลยพอตเนองล้วไปฆ่าเขาด้วยพระสมปีนีคนนี้ก่อนที่เขาจะตายเนี่ยเขาอธิษฐานจิตผูกเวรไว้ว่าขอจองล่างจองผรานกันจนกว่าจะสิ้นพบสิ้นชาติ มันานีทิานแรงมากเลยเพราะในชาติเนี่ยชาติสมัยพุทธกาลนะฮะมาต่อมาชาติที่ท่านเหล่านี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ต่อมาท่านเหล่านี้ก็เป็นพระโสดาบันพระอระหันต์กันหมดนะฮะมีสัพยปริภาชค อ, อีกท่านเนี่ยก็เป็นยักษ์ีินะแต่จริงเป็นยักษ์กินีก็เข้าสิงแม่โค ตัวที่อยู่ใกล้ๆนั่นแหละมายควว่ามันก็คนละท่กระทางกันน ะ, ะที่ตายเนี่ยอย่างตะปูกุสาติที่โกสัมพีท่านจนครแดงก็รู้สึกเกีสาวถีอันนี้ก็ราชจรึกคือคนละทิศละทางกันเดียวยักษ์ที่มีตนเดียวกันนะกะ้ามีตนเดียวกันไปสิงโคลแล้วก็แทงท่านตายผลกันกาตายเนี่ยมันเป็นวิบากกรรมที่เราจะเห็นถึงกระแสของกุศลนกุศลที่ บุคคลกระทำเอาไว้ว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยก็ตามมาด้วยกันเลยคล้ายๆก็วิ่งแข่งกันไปเลยใครให้ผลก่อนให้ผลหลังนี่บางทีเชียวกันนิดเดียเองนะอย่างที่เคยเล่าเรื่องพระจักกุบาลวาตาท่านบอดกับบรรลุอรหันต์เป็นพระหันเนี่ยมันเกือบจะไม่ก่อนไม่หลังนะครับะตาบอดปั๊บก็บรรลุอรหันต์ปุ๊บเลย แต่ก็กลายเป็นประหารที่ตาบอดเป็นสุ ข, ขวิปัสสุกวันตรงนี้ก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกัน่ควายกุศลก็ตามมาให้ผลจนบรรลุผลเป็นพระโสดาบันทีนี้ค่ายอากุศลซึ่งเป็นสืบเนื่อง ม, มาจากการแสดงอาการสุประมาณดูถูกดูหมินพระบาทเจ้าพุทธเจ้าสนามวาตากรสิคีเนี่ย ก็ทำให้ท่านกลายเป็นเศษกกังนะฮะขัดสนกรรมพรายากร้ายพระพุทธเจ้าทรงประรบถึงชีวิตของท่านสุปพุทธกุฏิเนี่ยก็ทรงเปล่งเป็นพุทธุทานว่าบุรุษผู้เป็นบัณฑิตพึงละเว้นบาปทั้งหลายในสัตว์โลกหมาความคนฉลาดเนี่ยต้องเว้นบาป ในสัตว์โลกในนี้เราจะเห็นว่าคือท่านไปไปทีจ่จริงก็หาเรื่องไงนะเมื่อก่อนพระบาเจากับพุทธเจ้าท่านก็อยู่ข้างล่าง น, นะก็เดินก้าท่านนะเราไปสศัทธาเริ่มใส่เราเฉยๆก็จบละแต่ว่าไปแสดงไปคิดดูหมินนะ่นแล้วแสดงอาการดูหมินท่านหมายความมาทั้งความคิดทางการกระทาหาเรื่องนะเป็นไปในลักษณะเหยียดเบียน รังแกนะเพราะว่าพระปะเจ้าพุทธยาไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ที่จริงไม่มีสาเหตุที่จะต้องไปทำอย่างนั้ น, น, นคล้ายกับพวกที่ฆ่าคนรายวันอยู่ตังสามจังหวัดภาคใต้เนี่ยเขาจะเชื่อกฎของกรรมหรือไม่ก็ตามนะเขาก็รับผลกรรมของเขาพราใครไม่สามารถจะดิกเลี่ยงกรรมที่ตนเองก็ททำไม่ได้จะดีหรือไม่ดีก็ตาม เขาเชื่อหรือไม่เชื่อไม่ใช่ประเด็นนะฮะกรรมเนี่ยมาเป็นกฎเป็นกฎของธรรมชาติและมีคนมุงคนเนี่ไม่เข้าใจนะเช่นพระลังกาตีตอนข้าอาดีตนาะยกรัฐมนตรีลังกาแล้วก็ไปเข้ารีดนักถือศาสนาคริสต์บอกว่าศาสนาคริสต์ล้างบาปได้หรือพวกเขมรแดงนะเขมรแดงที่เมืองไพลินที่ที่เขมรเนี่ยก็ไปเข้ า, ขารีตเป็นคริส กกลัวบาปกรรมในตนกระทำคือฆ่าเพื่อนร่วมชาติไปเยอะแล้วคิดว่าไปล้างบาปได้มันก็คิดเอาได้นะฮะแต่บาปนั้นจะต้องให้ผลไม่มีใครไปล้างเขาได้นอกจากว่าเขาให้ผลไปเสร็จแล้วเพราะันก็ทำยังไงว่าในเกียร์กษัตริย์เนี่ยคืออย่าฆ่าเองอย่าใช้คนอื่นฆ่าอย่ายกย่องสรรเสริญผู้ฆ่าแลืจใจเรามีเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลาย ทำอะไรไม่ได้ก็เฉยๆคืออุเบกขาแท้ถึงกรณีที่แต่ว่าสัตว์ทั่วไปควรจะมองด้วยความเมตตาสัตว์ประสบปัญหาควรจะมองด้วยกรุณาสัตว์ประสบความจเจริญก้าวหน้าควรมองด้วยมุทิตานะเป็นการปฏิบัติธรรมะเป็นการฝึกจิตตัวเองฝึกจิตตัวเองให้มีธรรมะอยู่คือไม่จำเป็นไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขาก็ได้นะทาจิตของเราเนี่ยทาได้ไห มีเมตตาต่อสัรพชีวิตมีกรุณาต่อคนประสบความปัญหามีมุทิตาต่อคนที่เจริญก้าวหน้าแล้วก็มีเบิกขาเมื่อสัตว์ทั้งหลายก็เป็นไปตามกรรมของเขาก็ทรงแสดงว่าเหมือนบุรุษผู้มีจักสุขเมื่อทางอื่นที่จะเข้าไปมีอยู่เนี่ยจะหลีกทา ง, งันไม่ราบเรียดเสีย คือทางมันมีสองทางเด น, นเองอทางถูกกับทางผิดทางเสือกมาทางเจริญทางบุญกับทางบาปมีสองทางารู้ว่าทางบาปนี่ยมีแต่ลุมบ่อขวากหนามที่จะนําตัวเองเข้ารกเข้าพงไปเรื่อยๆอันตรายเรื่อยๆรอยอยู่ข้างหน้าความคิดเหล่านี้เป็นความคิดที่ค่อนข้างแปลกวันก่อนในอ่าน คำสัมภาษณ์ของพี่สะพายอุสมะบินลาดเดนเนี่ยแล้วเขาบอกบินลาดเดนเนี่ยเขาเขามีมิติทางาศาสนาเขาไม่สนสนใจเรื่องการเมืองหรอกแต่เขามีความรู้สึกว่าคนที่นับถือไม่นับถือาศาสนาสลามเนี่ยไม่ควรจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อ้คิดน่ากลัวคิดอย่างนี้เองไที่แกทำอะไรได้เยอะเลย ถึงก็เป็นเรื่องบาตกรรมที่เธอจะต้องรับกันนะเธอตธอทาไปก็เรื่องบาตกรรมนั้นเวลามันยังไม่ให้ผลเนี่ยมันแค่แค่กระสะใ จ, จอะไรชอบคนที่พเจ้าทรงแสดงว่าเหมือนก็คนไปกินอ้อยที่มันมีรากเป็นพิษอ่ะแต่ตอนกินก็ไปข้างบนวพราะหวานเนี่เแต่พอลึกลงไปลึกลงไปก็เจอพิษก็ตายพอดีบาตกรรมก็จะมีลักษณะอย่างนั้น เพนทางดําเนินเนี่ยให้เราลองสังเกตว่าเช่นมงคลสูตรมันก็บอกทางสองทางแต่ว่าใช้ตัวคนเป็นตัวกําหนดในส่วนป ร, ราปาวาัสูตรที่พระเจา้าทรงแสดงทางเสื่อมเนี่ยไปใช้ธรรมะเป็นตัวกําหนดมงคลสูตรก็บอกว่าอยากเขาผ่านเขาบัณฑิตคือบอกตรงๆเลยเพราะเขาถามมงคล ทีนี้เมื่อปรวาวสูเดมีเขาถามทางเสื่อมมาทางเจริญพระเจ้าก็รับสั่งว่าคนจะเสือเส่อมก็รู้ได้ง่ายคนจะเจริญก็รู้ได้ง่ายเราก็ถามก็รับสั่งว่าผู้ใดใครท่ทำเป็นผู้เจริญผู้ใดชังทำเป็นผู้เสื่อมมันก็อยู่ที่ความคิดว่ายินดีในธรรมหรือรังเกียจธรรมะล่ะยินดีในธรรมก็จะประสบความเจริญถ้าว่ารังเกียจธรรมะก็ะประสบความเสื่อม คนคนเราที่มีตาเนี่ยมันต้องมีแววด้วยนะมันคิดว่าเออทางนี้มันจะมีปัญหาก็หลีกเลี่ยงเลียงทางที่มีอันตรายที่พระพุทธเจ้าทรงใช้มิตรมิตรก็เหมือนกันแหะมิตรก็มีสองพวกกับคนดีคนแลว้วนะก็ทรงสอนในเวน้นพวกปาประมิตรคือมิตรชั่วเนี่ยเหมือนกับเราเดินไปในหนทางรู้ว่ามีภัยอันตรายอยู่ข้างหน้าแล้วก็ เล็กจะทางก็นั้นเสียเรื่องท่านสุปาพุทธกุฏิจึงเป็นทัศนะชีวิตที่เชื่อมโยงกรรมกับสังสารวัติแล้วก็เชื่อมโยงให้เราเห็นถึงกรรมปัจจุบันกรรมในชาติต่อไปและกรรมในภพชาติต่ อ, ตอไปตามในญาติท่านจำแนกแสดงไว้ในเรื่องกรรมสนะิบสองดังที่เคยนำมาบรรยายแก่ท่านทั้งหลายในเรื่องชีวิตนิเครียดินนะ เราจะเห็นว่าแต่ละอย่างไม่สะท้อนอย่างนี้ทั้งนั้นเพียงแต่ว่าจะเอาเป็นรูปธรรมหรือว่าเป็นนามธรรมขึ้นมาสะท้อนดั่งเด็กต้องฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากหมหาวิทยาลัยศรีประทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้องามไปบูรณนธรรมจุมแตะท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี